มีความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มีความศรัทธาเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าตัวเรานี้ไม่มีวันตายตัวที่ตายนั้นไม่ใช่เราคือร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นผู้ขับร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนรถของเราเราเป็นเหมือนคนขับเวลาร่างกายเป็นอะไรตายไปเราคนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราต้องเดินทางหรือไปสู่พบต่อไปไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้ เราเชื่อว่าการทำบุญทำบากนี้มีผลตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะใจผู้ทำบุญและทำบากไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเองผู้ที่ทำบุญทำบากก็ต้องไปรับผลของบุญและของบาศต่อไปนี่คือความจริง ที่พระตถาจ้าได้ทรงตัสรู้เห็นแล้วได้นาเรามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สรรโลกทั้งหลายอย่างทั่วกเราเพื่อที่ให้พวกเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะความเห็นของพวกเรานี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความเห็นที่ ไม่ถูกต้องตามความจริงเหมือนสมัยโบราณที่มีความเห็นว่าโลกนี้แบนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องสมัยโบราณคนไม่กล้านั่งเรือออกไปไกล ๆ, ๆกลัวว่าเมื่อไปถึงขอบทะเลแล้วจะหลุดออกจากโลกไปเหมือนเวลาที่เร า, เ, าเลื่อนอะไรออกจากขอบโต๊ะไป มันก็จะต้องหล่นลงไปจากขอบโต้ะชั้นใดในสมัยโบราณเราก็คิดว่าโลกนี้แบนเหมือนเหมือนโต๊ถ้าเราเอาอะไรวางเกินขอบของโต้มันก็จะหล่นตกไปชั้นใดพวกเราก็กลัวว่าถ้าเรานั่งเรือไกลกว่าขอบของทะเล เดี๋ยวเราจะตกออกจากโลกไปแต่ก็มีคนที่มีความเจรจามีปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้จะแบนได้อย่างไรในเมื่อสิ่ ง, งตา่างๆดวงดาวต่างๆดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีแบนมีแต่กลมกันทท้งนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าโลกนี้ก็ต้องกลมด้วย เขาจึงกล้าที่จะนั่งเรือออกไปให้สุดขอบฟ้าแต่นั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่สุดสักทีเพราะมันกลมนั่นเองจนในที่สุดมันก็วกกลับมาที่เดิมวงกลมนี้ถ้าเราเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วเราเดินไปแบบไม่ไม่ถอยกลับไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเดินกลับมาที่จุดที่เราเริ่มต้นใหม่ พอจงพิสูจน์กันได้ว่าโลกนี้กลมฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ฉลาดที่ไม่สงเชื่อว่าตายแล้วจะหมดไปสูญไปกับร่างกายพระพุทธเจ้าสงเชื่อว่าใจนี้ต้องไปเกิดใหม่จึงได้พิสูจน์ด้วยการ เข้าฌานเข้าสมาธิพอเข้าไปในสมาธิแล้วก็จะเห็นการแยกตัวของร่างกายและใจออกเป็นสองส่วนด้วยกันขณะที่ใจสงบนั้นร่างกายก็หายไปจากการรับรู้ของใจตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจเพราะใจ ไม่ได้รับรู้เรื่องของร่างกายจึงทรงรู้ว่ากายกับใจนี้เป็นสองส่วนกันแต่ยังไม่สามารถที่จะแยกกายและใจออกจากกันได้อยาา่างถาวรเพราะยังมีความหลงมีความยึดติดเวลาออกจากความสงบแล้วพอมา รับรู้ร่างกายก็ถูกความหลงหลอกว่าเป็นตัวเราของเราพองค์จึงต้องใช้การเจริญปัญญาพิจารณาสอนใจอยเรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติด ไปหลงว่าเป็นตัวเราของเราพรองทรงสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอาร่างกายนี้ไปสู่สนามรบสนามสอบสนามทดสอบจิตใจดูว่าเวลาร่างกายใกล้ความตายนั้นจะปล่อยวางได้หรือเปล่าจะแยกใจออกจากร่างกายได้หรือเปล่า ถ้ามีความกล้าหาญมีความเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดติดเวลาไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวใจจะสั่นใจจะหวั่นไหวใจจะวิตกแต่ถ้าใจใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่มีอะไรต้องหน้าวิตก ก็อย่างไรร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็ก็ต้องตายอยู่ดีไม่ตายด้วยภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ต้องตายด้วยเวลา <c oughs> เวลาจะฆ่าร่างกายนี้ไปเองดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมากลัวความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องตอง ปล่อยวางร่างกายถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ยอมรับปล่อยให้มันเกิดขึ้นร่างกายมันจะตายก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปพอใจไปเจอภัยที่ทำให้เกิดความกลัวสุดขีแล้วมีปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยถ้าปล่อยได้ถ้าปรงได้ยอมตายได้ ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปยึดติดกับร่างกายได้เพราะตอนนั้นถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์มากพอปล่อยแล้วถึงจะเห็นว่าสุขมากสบายมากไม่เดือดร้อนพวกเรายัางไม่ต้องพิสูจน์ถึงท่านร่างกายเราลองพิสูจน์กับของที่เรารักก่อนก็ได้เช่นคนที่เรารักสามีหรือภรรยา แฟนของเราเราลองปล่อยดูเขาจะไปก็อยากจะไปอยู่กับคนอื่นก็ปล่อยเขาไปถ้าปล่อยได้แล้วแทนที่จะมีความทุกข์กลับจะมีความสุขจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่กังวลว่าเขาจะไปมีแฟนที่ไหนหรือไม่เขาจะจากเราไปหรือไม่อย่างไรใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลย เพราะว่าเราไม่ไปผูกใจของเราไว้กับเขานั่นเองเขาจะมาเขาจะไปก็เรื่องของเขาเราหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าตอนนี้ที่เรายังต้องมีเขาอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราต้องอาศัยเขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราพอถ้าเขาไม่อยู่เขาจากเราไป เราก็จะเกิดความเศร้าโศกว้าเหวเศร้าสร้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเราสามารถสร้างความสุขที่มีอยู่ในใจของเราให้เกิดขึ้นมาได้เราก็จะตัดเขาได้ปล่อยเขาได้ไม่ต้องอยู่กับเขาก็ได้ตอนนี้พวกเราขาดที่พึ่งทางใจกันเราไม่มีความสุขในตัวของเราเวลาเราอยู่คนเดียว เราจะรู้สึกเศร้าสร้อยเหม่ยเหงาว้าเวรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเราไม่มีความสุขในตัวเรานั่นเองเราไม่รู้ว่าใจของเรานี้สามารถผลิตความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ได้เพราะว่าเราไม่เคยพบกับคนฉลาด อย่างพ่อพุทธเจ้า น, นั่นเองพอได้พบกับพ่อพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสารโลกแล้วเราก็จะได้ทราบความจริงว่าเรากําลังผ p e r ความทุกข์ให้กับเราด้วยความหลงไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาได้อย่างถา้าวอน บางเวลาเราก็ได <Ab> <the word, S 2> <the> ้ความสุขจากเขาบางเวลาเราก็ได้รับความทุกข์จากเขาเพราะว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลาเขาอยู่กับเราเราก็มีความสุขเวลาเขาดีกับเราเราก็มีความสุขแต่เวลาเขาไม่ดีกับเราเวลาที่เขาจากเราไปเราก็มีความทุกข์ใจ แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ว่าให้ดีกับเราไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดนี่เป็นความหลงที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารากันไม่คิดกันพอสูญเสียสิ่งที่รักไปเศร้าโศกเสียใจพอหายแล้วก็ลืมไปแทนที่จะจำไว้เป็นบทเรียนว่าเวลา เขาจากเราไปนี้เราทุกทรมานใจเพียงไรพอหายจากความทุกข์ใจแล้วก็ไปหาแฟนใหม่ไปสร้างวามทุก์ใหม่ขึ้นมาอีกเราไม่เคยเข็ดไม่เคยคิดคยค้ดยอนอดีตดูบ้างว่าเวลาสูญเสียเขาไปเวลาที่เขาไม่ดีกับเรานั้นเป็นอย่างไรเพราะความหลงความอยากนี้ มันมีอำนาจมากจนกระทั่งทำให้เราไม่มีเวลาที่จะนั่งคิดถึงความจริงได้พอเราว่าเวพอคว้าอะไรได้มาก็จะคว้าทันทีเจอใครได้พอมีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันได้ก็คว้าเอาไว้ทันทีไม่เคยคิดเลยว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อย ได้เข้าวัดเข้าว่าไม่ค่อยได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไม่ได้ค่อยได้ฟังความจริงกันว่าใจของเรานี้ไม่ต้องไปหาอะไรภายนอกมาให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าส่วนความสุขที่เรามีอยู่ภายในตัวเราเรากลับไม่ผลิตกันขึ้นมา ถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะได้มีทางเลือกตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีความสุขอยู่สองทางด้วยกันความสุขที่มีความทุกข์ตามมาหรือความสุขที่เกิดจากการผลิตทางใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กลิตความสุขขึ้นมา ด้วยการทำบุญให้ทานให้ด้วยการเสียสละให้สละสิ่งที่เรารากเราห่วงไปเพราะสิ่งที่เรารากเราห่วงนี้ทำให้เรามีความทุกข์ใจมีความวิตกกังวลมีความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปแต่ถ้าเรายินดีที่เขาจะให้เขาจากเราไปด้วยความสมัครใจ ด้วยความยินดีเราจะไม่เสียใจเช่นวันนี้ญาติโยมก็นำเอาของที่ญาติโยมรักมาให้แก่ผู้ของที่ญาติโยมรักคืออะไรก็คือข้าวของเงินทอง น, นี่วันนี้สูญเสียข้าวของเงินทองไปแต่ไม่มีความเสียใจกลับมีความสุขใจเพราะใจตั้งใจจะให้นั่นเอง ใจไม่ได้หวงกับขอ ง, ขของเข้าของเงินทองส่วนนี้เวลาให้แล้วแทนจีเสียอกเสียใจกับมีความสุขใจถ้าไม่ได้ตั้งใจจะให้เข้าของเงินทองส่วนนี้แล้วเกิดหายไปเมื่อเกิดมีใครมาขโมยไปเราจะเกิดความเสียใจขึ้นมา ท, าทันทีเกิดความโกรธขึ้นมาทันที เพราะว่าเรายังไม่ปล่อยนั่นเองเรายังหวงอยู่เรายังต้องการให้อยู่กับเราความต้องการที่อยากจะให้ของและสิ่งต่างๆอยู่กับเราความหวงเหล่านี้แหลเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจเพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามาซ้องการปล่อยวาง ความยุดติดในสิ่งต่างๆปล่อยวางความอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับเราไปตลอดเพราะว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในโลกของความที่มีของเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาสักวันหนึ่งเราก็จะต้อง พัดพาคจากไปหมดเวลาร่างกายนี้ตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเอาภรรยาเอาสามีเอาบุตรเอาธิดาเอาหญ้าสนิทนิสหายเอาสมบัติข้าวของเงินทองเอาลาบยศสรเสริญเอาความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายไปไม่ได้เลยเพราะใจของเราไม่สามารถ เอาอะไรไปกับใจได้นั่นเองสิ่งที่เราสามารถเอาไปกับใจได้ก็คือสิ่งที่ใจผลิตขึ้นมาเองคือความสุขหรือความทุกข์ถ้าผลิตความทุกข์ก็จะเอาความทุกข์ไปเช่นถ้ายังไปด้วยความหวงแหนด้วยความเสียดายด้วยความไม่อยากจะไปก็จะไปอย่างทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าไปด้วยความยินดี พร้อมที่จะไปอยากจะไปก็จะไปอย่างมีความสุขสังเกตดูเวลาญาติอยมได้ทำอะไรตามความอยากได้อะไรมาตามความอยากแล้วจะดีออกดีใจจะไม่เสียใจแต่เวลาต้องทำอะไรหรือเสียอะไรไปโดยที่ไม่อยากจะเสียนี่จะเศร้าโศกเสียใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามา ซ้อมการให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปซ้อมการไม่หวงซ้อมการไม่อยากให้มีสิ่งต่างๆอยู่กับเราไปตลอดเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องสูญเสียเราต้องพัดผ้าจากสิ่งต่างๆไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเราได้ซ้อมได้เตรียมตัวไว้แล้ว อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาซ้อมกันแล้วซ้อมให้ซ้อมเสียสละให้สิ่งที่เรารักที่เราหวงไปแสดงว่าเราไม่รักเราไม่หวงแล้วพอเราไม่รักเราไม่หวงเราให้ไปแทนที่จะมีความทุกข์เรากับมีความสุขใจโล่ง อ, อกโล่งใจสบายใจไม่ต้องมาคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติส่วนนี้ถ้ายังมีอยู่ ก็ยังต้องมาคอยเฝ้าดูแลรักษาอยู่แต่การที่เรายังไม่สามารถให้ได้หมดก็เพราะว่าเรายังไม่มีความสุขในตัวเราเราจึงต้องมารักษาศีลแล้วมาปฏิบัติธรรมทำใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าใจของเราสงบแล้วเราจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ที่เรามีอยู่กันไม่ว่าจะเป็นเงินกองเท่าภูเขาจะเป็นตำแหน่งระดับมหาจากักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจมีการยกย่องสรรเสริญเยินยออยู่ตลอดเวลามีความสุขทางตาหูจมูกลินกายอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไร สามารถหามาได้หมดเลยแต่มันไม่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจเราได้เลยความสงบของใจเรานี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราได้พบกับความสงบของใจแล้วเราจะตัดเราจะปล่อยความสุขต่างๆได้ไปทั้งหมดเลยเหมือนกับเราได้ของที่มีค่ากว่าของที่เรามีอยู่ เช่นเรามีมีเงินมีมีเพชรนินจินดาที่ไม่ใหญ่มากนะัเล็กเล็กน้อยๆอยถ้าเราได้เพชรก้อนเรื้ม่มได้ทองเป็นทองทั้งแท่งมาอย่างนี้ของนิดเล็กน้อยๆยเพชรนินจินดาก็จะไม่มีความหมายเราสามารถยกให้คนอื่นไปได้เลยถ้าอยากจะได้ก็ยกให้เขาไปได้เลย ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วใคอยากจะได้แฟนของเราเราก็ยกให้เขาได้เลยใครอยากจะต้องการสามีต้องการภรรยาต้องการลูกต้องการหลานก็ยกให้เขาไปได้เลยเพราะว่ามีแล้วมันก็หนักหกหนักใจไปเป่ า, ปาต้องมาคอยดูแลกันต้องมาคอยห่วงกันต้องมาวิตกกังวลกัน พอไม่มีเขาแล้วโลออกโล่งใจสบาย อ, อกสบายใจคนที่ได้พบกับความสงบทางใจแล้วจึงมักจะไม่อยากจะอยู่ครองเรือนต่อไปเพราะชีวิตของผู้คลองเรือนนี้มีแต่ความวุ่นวายตลอดเวลาวุ่นวายกับคนนั้นวุ่นวายกับคนนี้ยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับคนนี้เพราะคนเรามันมีความอยากที่ไม่รู้จักพอกันให้อะไรเท่าไหร่ก็ไม่พอ ให้แล้วก็อยากจะได้อีกได้แล้วบางทีก็ไม่พอใจไม่ชอบใจแทนที่จะขอบอกขอบใจกลับว่าสกว่าให้ในของว่าว่าให้ของไม่ดีไปนี่คือปัญหาของคนของใจของคนที่มีเกลีไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรจะจะไม่มีวันอิ่มไม่มีความพอถ้าเราต้องการจะเอาเอาใจคนแล้ว เราก็จะต้องเหนื่อยไปจนวันตายเพราะจะไม่มีวันที่เขาจะบอกว่าพอได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าไม่พออยู่นั้นทางที่ดีอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าปล่อยเขาไปตามความอยากของเขาเขาอยากจะได้อะไรก็ปล่อยให้เขาหาไปเองถ้าเราไม่ต้องการเขาแล้วเราก็สบายไม่ต้องมาคอยเอาออกเอาใจกัน แต่ถ้าเรายังพึ่งเขาอยู่ยังต้องการเขาอยู่เขาบ่นเขาว่าก็ต้องทนเขาดุเขาด่าก็ต้องทนเขาทุกเขาตีก็ต้องทนเพราะยังพึ่งเขาอยู่ยังอยากเขาอยู่วันก่อนก็มีสามีภรรยาผู้หนึ่งภรรยาพาสามีมาวัดให้มาขออธิษฐานเลิกดื่มสุราเพราะเวลาดื่มสุราแล้วเมาเอาว่า ภรรยาเดือดร้อนเราก็บอกเขาว่าอย่าไปบังคับเขาเลยเขาอยากจะดื่มก็ปล่อยเ้าดื่มไปถ้าเขาเลิกได้ก็ดีแต่ถ้าเขาเลิกไม่ได้ก็แยกทางกันดีกว่าอย่าไปแก้ที่เขาแก้ที่เราดีกว่าแก้คนอื่นนีิแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันจบแก้ที่เราคือความอยากความรักในตัวเขาใช้ปัญญาพิจารณาแต่ว่ารักเขาแล้วมันสุขหรือทุกข์กันแนะ่ ถ้ารักเรามันทุกไปรักกันทําไมรักตัวเราไม่ดีกว่านะไปอยู่คนเดียวดีกว่าไปยอมอยู่กับความเหงาความว่าเหวแต่อย่างน้อยก็ต้องไม่มาต้องมาทุกข์ทรมานไม่ต้องมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเวลาที่เขาเมาแล้วอาละวาดนี่คือการแก้ปัญหาเราอย่าไปแก้คนอื่นคนอื่นนี่เราแก้ไม่ได้เพราะ เขาตัวเขาเองเขายังแก้ตัวเขาเองไม่ได้เลยแล้วเราจะไปแก้เขาได้อย่างไรเราแก้ที่เราสิเราตัดไปเลยปล่อยวางไปเลยเท่านั้นเราก็สบายละหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ต้องเป็นทาไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องขออนุญาตเราอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดเราก็ทำได้ตลอดเวลาแต่ที่เราทำกันไม่ได้ก็เพราะว่าเรา ยังไม่มีความสุขในใจของเรานั่นเองดังนั้นขอให้เรามาสร้างความสุขในใจของเราดีกว่าแล้วต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นให้ความสุขกับเรามารักษาศีลกันให้ได้รักษาศีลห้ารักษาศีล8ยอมทุกยากลาบากกับการรักษาศีลดีกว่าไปทุกลำบากกับคนอื่นกับเรื่องอื่นที่จะไม่มีวันสิ้นสุด จากความทุกข์ยากจากการรักษาศีลจากการปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นเพียงในช่วงที่เราเริ่มปฏิบัติเท่านั้นเองพอเราปฏิบัติได้ผลแล้วความทุกข์ยากลำบา ก, กต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเมื่อใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วต่อให้ความตายมันก็ไม่เป็นปัญหาต่อให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ก็ไม่เป็นปัญหา แล้วเรื่องเรื่องรักษาศีลการ น, นี้มันจะไปเป็นปัญหาได้อย่างไรดูพระพุทธเจ้าดูพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านไม่มีปัญหากับการรักษาศีลท่านไม่มีปัญหากับการอยู่อดอยากขาดแคลนอยู่ในสถานที่ไม่มีอะไรอัตคัดขัดสนน้ำไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีตู้เย็นไม่มีพัดลมไม่มี แม้แต่กุติที่อยู่อาศัยก็ไม่มีแต่ทำไมท่านไม่เดือดร้อนก็เพราะว่าใจของท่านนั้นมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากน้ำน้ำประปาไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศตู้เย็นพัดลมและกุติที่อยู่อาศัยท่านอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ใต้โคนไม้ก็อยู่ได้อยู่ในถ้ำก็อยู่ได้ อยู่เรือนร้างตามเรือนร้างต่างๆก็อยู่ได้ขอให้มีที่หลบแดบบหลบฝนเพื่อให้รักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วแต่ใจของท่านนี้ไม่เดือดร้อนเลยใจของท่านนี้แต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถกลบความทุกข์ยากลาบากความอัตคัดขัดสนต่างๆไปได้หมดเลยนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของใจเรา ของความสุขของพวกเราที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของอยู่แต่ไม่เสยวแลไม่สนใจที่จะพัฒนาที่จะปลุกให้มันโผล่ขึ้นมาตอนนี้มันฝังอยู่ในใจเราเราไม่ขุดมันเอาขึ้นมาเราปล่อยให้ของสิ่งสกปรกต่างๆมากรมันปล่อยให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความเหนือย ที่เกิดจากความอยากต่างๆมากบความสุขอันวิเศษนี้ไปถ้าเราสามารถลือความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากต่างๆให้ออกไปจากใจได้แล้วความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมเพราะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ผลิตกันมาแล้วได้ทำกันขึ้นมาแล้ว ท่านรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะกําจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่ที่ครอบคลุมจิตใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากต่างๆและผลที่เกิดจากกิเลสตัณหาคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆพอท่านชาระสิ่งสกปรกต่างๆเหล่านี้ออกไปจากใจได้หมดแล้ว ใจของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุดอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏแบบไม่มีวันสิ้นสุดด้วยนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของใจของเราความยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และความยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือ ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาปฏิบัติธรรมถ้าทำได้แล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราได้รับกันเหมือนกันไม่ต่างกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเพราะเหตุและผลนี้ไม่ได้เสื่อมไปกับยุคกับสมัยไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลา จะเสื่อมหรือจเจริญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติมันก็จะเลิญถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะเสื่อมดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจตลอดเวลา<ม>ก็ขอให้เราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เต็มที่เถิดแล้วผลที่เราปรารถนาะ ก็จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เปลี่ยนเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความจเจริญ แค่กล้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัานเธอ